ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลมปโพธิยานกำลังเสนอเรื่องทรงตรึกเพื่อตัตรูเปียนข้อความที่รับสั่งเล่าแก่พระสงฆ์ในปฐมสูตรสัมโพชิวัติกนิบาตอังคุตรนิกาย เรียกว่าเป็นพระพุทธธรรมระดับเจ้าเล่าเกิดขึ้นจากอัธยาศัยของพระองค์มีพระประสงค์จะเล่าให้พระซึ่งประชุมกันอยู่ในที่นั้นได้ฟังแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นปริยายหนึ่งในธรรมเทศนาที่นำมาแสดงเป็นการเท่าความอย่างพวกะด ก, กนี่ก็เท่าความไกลกว่านั้น เขาเรียกว่าทุเรนิทานตรงนี้ก็แนวเขาเรียกว่าอาทุเรนิทานคือเรื่องไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แล้วก็ประเด็นต่อไปก็รับสั่งในแนวเดิมนะฮะว่าพิสูจทั้งหลายตลอดเวลาเพียงไรที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษของโลกว่าเป็นโทษ จักไม่รู้จักอบายเป็นเครื่องออกนี่คือประเด็นหลักที่เคยระลบเอาไว้ในวันก่อนนะฮะว่าพูดเหมือนกับพูดเล่นแต่ว่าความจริงก็เป็นเช่นนั้นเช่นว่าการดื่มสุราเป็นโทษการเล่นการพนันเป็นโทษการเที่ยวกลางคืนเป็นโทษการดูการเล่นต่างๆนี่เป็นโทษแต่ถ้าจับใดที่เรายังไม่เห็นว่ามันเป็นโทษ ตอนนั้นความคิดที่จะออกมันก็มีไม่ได้คนบางคนบางครั้งก็สายเกิดไปที่จะพูดแล้วเราก็กล่าวได้คำเดียวว่ายวอย่ายังลุงก็แล้วกันเรียกว่าทำตามที่ลุงพูดจะทำตามที่ลุงทำที่นี้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ไม่รู้ทั้งสา ม, มอย่างครบเนี่ย ก็จะไม่ประกาศสถานะพระองค์ว่าได้ศัตรูซึ่งอนุตตรสมาสัพุญญาในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรมหมู่สัตว์สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่รับสั่งบ่อยมากและตอนท้ายธรรมจักก็ใช้ข้อความเดียวกันเป็นการแสดงถึงอะไรว่า ธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวปฏิเวทพระเจ้าทรงสอนจากฮัทไทที่บรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะเวลาพวกเรามาอ่านก็ดีมาฟังก็ดีเราไม่ได้ฟังนะฮะเราได้อ่านได้อ่านเลือกฟังมาจากคนอื่น ต้องมองย้อนกลับไปถึงที่มาว่ามันมาจากปฏิเวทภายในพระไทัยของพระพุทธเจา้าเพราะฉะั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นทรงแสดงไว้อย่างไรก็ทรงเป็นอย่างนั้นลงได้สัมผัสถึงความจริงแล้วความจริงตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงให้ลองสังเกตอะตรงไหนก็ตามนะฮะพวกสุขพวกโสมนัสพวกหมายความมาพวกอิทธารมณ์ทั้งหลาย อิทธิรมทั้งหลายเนี่ยพวกลาพวกยศพวกสันเสริญพวกความสุขเนี่ยเป็นความต้องการร่วมกันของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงคนไม่ค่อยมองในแง่ของความเป็นโทษหรอกมันมีการขวายคว้าปราถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นกันด้วยประการต่างๆบางครั้งบางคราวต้องทำชั่วต้องต่อสู้ต้องคอรับชั้นถ่งกงกิงกนต้องสารพัดเพียงได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้น แล้วเราอาจจะเรียนอะไรกันมากมายกายกองนะฮะแต่เอาก็จริงเราเขาไม่ได้มองกลับไปว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากความมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเป็นเจนสมมุติว่าคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยคนทั้งหลายก็ต้องเข้าไปรบกวนไปเกี่ยวข้องไปขอร้องให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยหวังจะพึ่งพนักข้องคนทั้งหลาย แน่นอนถ้าเรามองในแง่สังคมคือแง่บาเพ็ญประโยชน์เราก็มีโอกาสออกมาเป็นประโยชน์เยอะแต่ถ้าถามว่าเราสามารถบาเพ็ญประโยชน์โดยไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ได้ไหมก็ตอบปได้แล้วก็ดีกว่าที่ํำไปเพราะอะไรเพราะการมาเป็นประโยชน์ในรูปของการแจกข้าวแจกของเนี่ยมันดูแล้วกค่าจะดี แต่ว่าทางต่างคนต่างก็ช่วยกันแจกแล้วมันสร้างคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาคือคนที่ขี้เกียจเราคอยการแจกของจากบุคคลอื่นวันแม้แต่วิถีชีวิตของนักบวชในพระพุทธศาสนามันก็ต้องปฏิบัติตัวคุ้มค่ากับอาหารที่ชาวบ้านก็บริจาคถวายไม่ใช่ว่าอย่างที่คนก็ค่อนแค่กันนะฮะชาวเอนเพลนนอนบัดบายพระพรคาจำวัดอะไเนี่ย แต่คนไม่เคยบวชมันก็พูดได้แต่ว่าในแง่จริงๆผู้บวชจริงๆเนี่ยทํางานหนักกว่านะกินอาหาน้อยกว่าได้ทํางานหนักกว่าชาวบ้านที่ครองเดือกแอ้ก็ทรงแสดงอีกช่วงหนึ่งคล้ายๆกับข้อความเดียวกันเลยนะข้อความเดียวกับที่ตอนท้ายธรรมจั ก, กรวัฒนสูตรเพลี่ยนแต่ว่าตอนท้ายธรรมจั ก, กรวัฒนสูตรทรงยกย่องทรงทรงแสดงไปแจ้งความว่า สาปใดที่ยานสามซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจสี่มีวนสามมีอาการสิบสองของเราไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดเราไม่ปฏิญาณว่าเป็นราหารัสสัมมาสัมพุทธะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงนั้นแต่เพราะว่ายานสามทีเกิดขึ้นในอริยสัจสี่มีวนสามมีอาการสิบสองของเราบริสุทธิ์หมดจดสมบูรณ์เราก็ได้ปฏิญาณว่า เป็นอาหารทัศมาสมุทธะจะสรวนุตรสมาสมุทยญาณในโลกพร้อมท้งเท ว, ทเ ว, วดามารพร ม, มูสัตพร้อมทางสมนาพรามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและในตอนสุดท้ายนะี้จะมีข้อความเหมือนกันเป็นข้อความที่มีความสำคัญ อย่างปัญหาที่มีการถกเถียงมีการวิปรายกันอยู่ในตอนี้ยปัญหาเรื่องธรรมกายมีอายตนะนิพพานมีแดนนิพพานมีเมืองแก้วเก่าวแล้ ว, ลวลคือปณิพพานอะไรต่ใดเนี่ยคือโทษว่าธรรมกายไม่ได้เราที่จริงสังโกลมใจเนี่ยมีอย่างนี้มาตลอดมันค่อนข้างไปติดไปทางหมายานนะนะคือว่าเราก็หมายานมาเข้ามาอยู่บ้านเราตั้งนานปนระมาณศตวรรษที่เจ็ดที่แปดจนถึงศตวรรษประมาณสิบสองเนี่ย มายานก็ยังอยู่เวลานี้ก็ยังอยู่เอกสารต่างๆของมายานก็แทรกซึมไปนะเราจะเห็นว่าแม้แต่ว่าภาพยนตร์ต่างๆที่มีการแสดงกันถ้าเกี่ยวกับภาพยนตร์จีนแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็จะพูดไปในทํานองว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่สวงสวรรค์เราก็เป็นที่มาเช่นเฮงเจียะอะไรต่ใดในให้ลองสังเกตว่า เราจะพูดถึงพระพุทธเจ้าในรูปของเป็นองค์แล้วก็สิงสถิตยอยู่ในสถานที่นั้นๆในสมัยโบราณถ้าเราไปอ่านหนังสือโบราณก็จะเจอว่าเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมะตะมหานะคนะรนรพภัณฑ์จำนวนจะออกมาในลักษณะนี้ใล้ๆก็ไปอยู่ที่เมืองแก้วนะไปอยู่ทําไมให้ร้อนก็ไม่รู้เหมือนกันคือประทนาพพเนี่ย พราัตว์ลกนั้นอยู่ด้วยภวะตัณหาแล้วก็ภวะทิฏฐิแต่ต้องการความเที่ยงแท้ในขนาะเดียวกันก็อในใญุญาตไม่ได้เพราะเราชอบความเที่ยงแท้จริงหรือเปล่ามันก็เปล่าเพราะถ้าหากว่าเราเที่ยงแท้เราเกิดแวะมาถึงตัวทะไรก็เท่านั้นนะ่ะไม่ต้องโตเลยเห็นมาก็อยู่อย่างนั้นตลอดไปเราก็ไม่เอาอะตอนนั้นก็อยากโตอยากโตเร็วอยากโตเร็ ว, อ ย, รวอย่างเด็กๆ แสดงว่าเราชอบความเปลี่ยนแปลงแต่ต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันเป็นสภาวธรรมมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการของกรรมนะที่จริงมันก็เราเราเปลี่ยนแปลงเองได้นะ มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนข้อความที่เรียกว่าปิญหาปัจจเวคขณะเป็นข้อความสั้นๆมีห้าเรื่องใหญ่ๆแล้วก็รับสั่งให้พุทธบริษัทเนี่ยนํามาสวดสาธยายกันอยู่สม่ําเสมอแต่ต้องคิดต่อเป็นข้อความที่เตือนสติตัวเองนะฮะเพียงแต่แปลกที่ไม่ค่อยนํามาคิดคือบางทีเราก็นึกว่าเออ บางทีพระเราก็อายุเยอะแล้วนะฮะแต่ว่านั่งรถเข็นและอย่างอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนอนอยู่ทางทางที่ชาวบ้านก็กเกษียณไปตั้งนานแล้วขนาดเวลาเนี้ยนะฮรพระบางองค์เนี่ยอายุ80เกษียณอย่างโทมาัทเสียใจเลยในขณะชาวบ้านเนี่ยเขาเร่งวันกเกษียณตอน60ห่างกันตั้ง20ปีนะฮะ เกษียณห่างกันตั้งยี่สิปีแต่ว่าชาวบ้านก็ดีใจในขณะที่พระพระบางรูปมนะันไม่ใช่ทุกรูปนะบางรูปก็ก็อยากอยากจะเกษียณเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ควรแสดงอะไรมากนะคือทั้งอยากอยากจะเกษียณก็แสดงว่าเป็นวิภวะตันหาไม่อยากจะเกษียณก็แสดงว่าเป็นภวะตันหามื่ก็เป็นตันหาด้วยกันก็เฉยเฉยหมายความว่าเป็นก็ทํางานไปถ้าไม่ได้เป็นก็ทํางานตรงอื่นไป ก็เราก็มีภาราหน้าที่ที่จะต้องจัดจะต้องทาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแสดงควงขวายอะไรก่อนอาตมาจะมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ประชาท่านสั่งไต่กราบลาท่านว่าจะมาศึกษาที่กรุงเทพสักระยะหนึ่งท่านบอกก็เออคุณไปอยู่กรุงเทพทั้นถ้าไม่ถึงอย่าเอามือคว้านะถ้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธ เป็นสำนวนทางใต้จนเรียกว่าไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปัดอย่าปัดก็คืออย่าปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันภารกิจอันใดที่เป็นหน้าที่โดยสถานะของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่สบายดีเนี่ยอยู่สบายดีไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับใครไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปประจบประแจงใครไม่ต้องเกาหาใคระฮพระผู้ใหญ่บางองค์นี่เป็นปีๆไม่เคยเจอกันเลย ก็เรียกว่าโอกาสที่จะไปหาผู้ใหญ่ที่กุติเนี่ยมันยากมากๆเลยนะยากมากๆที่จะไปหาผู้ใหญ่ส่วนมากจะไปก็ท่านป่วยหนักกันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เยี่ยมในโรงพยาบาลถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่อยไปอ่ะนะละนักษณะเหล่านี้เป็นการ ท่านสอนไว้คําหนึ่งท่านบอกสรร ล, ลหุกวุติประพฤติตนเป็นคนเบากายเบาจิต อ, อสอนประโยคแรกนั้นอาจารย์อาจารย์ให้ศีลสอนอุปชาในสอนคำํำว่าสรร ล, ลหุกวุติหือให้ประพฤติตนเป็นคนเบากายเบาจิตตรงนี้ลองสังเกตว่าสุคสมมนัตที่เราจะเป็นที่ตั้งของความขนาดเพลิดเพลิพนยินดีที่ทรงใช้กับวันนั้นที่ราคาเนี่ย มันโอกาสที่จะโสมนัสอยู่นานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวมันที่เป็นเหตุเราโสมนัติเนี่ยเป็นวัตถุกาม ว, วัตถุกามเนี่ยมันมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ยั่งยืนอะไรอย่างที่บอกไว้ว่าอาหารที่ต้องกินเมื่อร้อนก็ต้องรีบกินตอนร้อนถ้าไม่ร้อนก็รู้สึกไม่อร่อยอาหารที่ต้องรับประทานตอนเย็นก็ต้องรีบรับประทานใน ต, ตอนก็เย็นอยู่ทําให้รับประทานตรงนั้นมันก็ ไม่อร่อยแล้วไม่อร่อยมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความโศมนน่เกิดขึ้นแต่โศมันนัดสวดมากมันก็จะมีความชื่นชมดินดีในข่าวคราวเรื่องราวที่ดีๆแต่ข่าวคราวเหล่านั้นเองมันก็ไม่เที่ยงนะฮะมันเป็นสังขารมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันปัญหาสำคัญว่าคนเราทำใจไม่ค่อยได้เวลานี้มีมีประโยคหนึ่งที่ และยินบ่อยนะะจะได้ยินบ่อยฉันบอกคนป่วยหนักจะตายเนี่ยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมยอมไม่ยอมก็ต่างตายนะเราเองยอมไม่ยอมเรายัางตายเลยทีนี้พอไปตั้งกฎเกณฑ์ข้ายอย่างนั้นในสุดเราก็เดือดร้อน<ม>พระเจ้าจึงสอนให้เราหาประโยชน์จากมันพวกนี้เราสังเกตว่าหาประโยชน์ได้หมดทั้งสามข้อเลยในกรณีที่เป็นคุณก็หาประโยชน์ได้ ในกรณีที่เป็นโทษก็สงหาประโยชน์ได้แล้วก็มีทางออกหมายความว่าในส่วนที่เป็นคุณนั้นก็เตรียมใจยอมรับถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในส่วนที่เป็นโทษก็จะมีอุบายวิธีที่จะลดความรุนแรงของโทษซึ่งเกิดขึ้นจากใจไปยึดมั่นถือมั่นเพราะก็จริงแล้วใจเราไปยึดเฉย คือต้องการให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปพอเอาก็จริงมันเป็นตลอดไปก็ไม่ชอบอีกอะ่ะคือยังนึกถึงเรื่องอะไรนานะสมัยเป็นเด็กจะได้อ่านไม่ตลอดอะ่ะเป็นเป็นนวนิยายเนะี่ยชื่อชั่วคว้าดินสลายคือเป็นใจความง่ายๆว่าผู้ชายไปพอใจกับผู้หญิงรู้สึกจะเกี่ยวข้องกับผู้เลี้ยงทางเหนืออะไรนี่นะแล้วก็ผูเลี้ยงก็จับ เขาบอกนะเขาสารภาพรักบอกเขารักกันจะอยู่ร่วมกันชั่วงว้าดินสลายพอเลี้ยงก็เอาไปให้อยู่ร่วมกันปรากฏว่าอยู่ไม่ได้นะให้ค้างรวมกันก็อยู่ไปได้แม้จะให้อยู่เป็นปกติสุขเนี่ยก็อยู่ช่วงค้าดินสลายไม่ได้เพราะว่าชีวิตร่างกายเราเป็นของไม่แท่งแท้แน่นอนฟ้าเนี่ยมันมันไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่มันใหญ่กว่าเพราะเราตายแต่อีกกี่ร้อยชาติคว้ามันก็ไม่สลาย่ะ ก็ยังอยู่กันอยู่ไอ้ส่วนสลายก็สลายไปแต่ว่ามันมวลสารมันใหญ่ใจโตมือมาเหลือเกินมันเป็นคำพูดที่เพลินๆแต่ น, น, น, นั้นเองคือเอาก็จริงมันอยู่ร่วมกันตลอดไปไม่ได้เพราะคนเราต้องตายแม้แต่ตายแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ร่วมกันก็ไม่ได้บางครั้งบางคราวเนี่เราเราคิดโดยไม่มีเหตุผลอะไร นะเช่นสมมติว่าลูกตายไปแม่ก็แก่แล้วนะแม่ก็แก่อยู่ตั้งห้ากสิบแล้วก็บอกว่านะชาติหน้าก็ให้มาเกิดเป็นลูกของแม่อีกเอ๊ะไปรออยู่ได้ยังไงตัวเองยังไม่ตายนะไอคนนั้นก็ตายไปก่อนแต่สม ม, มุติอีกยี่สิบปีตัวเองตายสแสดงถ้าคนนั้นก็เกิดเป็นคนเนี่ยเขาก็อายุยี่สิบปีก็แต่งงานล้วเออถ้าเราไปเกิดเป็นลูกเขานี่ไม่แน่ เพราะอะเพราะว่าศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาระคัดเสมอกันปัญญาเสมอกันเราอาจจะเกิดเป็นลูกเขาแต่ให้เขามาเกิดเป็นลูกรองเป็นไปไม่ได้โดยเหตุผลไม่ว่าเหตุผลในเรื่องอะไรแต่ว่าชาติอื่นก็ไม่แน่นะฮะเช่นว่าอีกชาติหนึ่งเรามีศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาระคัดเสมอกันปัญญาเสมอกันแล้วก็พ่อแม่ที่แก่กว่าก็ตายไปก่อนแล้วก็สมมุติว่าไปเกิดเป็นมนุษย์ยี่สิบกว่าปี ลูกก็ตายไปเอออย่างงี้ไปได้ฟังได้มันก็มีเหตุผลอยู่ประเด็นสำคัญในที่นี้เป็นการยกเอาตัวทุกษษษข์ัตว์ขึ้นมาให้ดูแล้วก็ลากข้อความลงมานี่จะเหมือนกันหมดเหมือนกับตอนท้ายธรรมจักรทำไมในตอนอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็ส่งหาคำตอบโดยปรองเอง ว่าอะไรหนอเป็นรถอร่อยในโลกอะไรเป็นโทษในโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกคําว่าโลกเนี่ยคําว่าโลกในที่นี้ที่จริงมันเป็นก็เรียกว่าอายตนะโลกขันทาโลกธาตุโลกคือไม่ใช่โลกใหญ่นอนนะฮะไม่ไม่ใช่โลกที่เราอยู่อาศัยตรงนี้เน้นที่ตัววัตถุการมทั้งหลาย เพราะคำวาโลกนั้นท่านวิเคราะห์ว่ารุดเะตีติโลโกสิ่งใดย่อดแตกสลายไปสิ่งนั้นก็เรียกว่าโลกเพราะงั้นสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นโลกทั้งนั้นนะแตะเข้าไปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยก็ถือว่าโลกแต่ละโลกแล้วโลกท่านจะเรียกว่าสังขารแล้โลกโลกคือสังขารโอกาสโลกโลกคือดวงดาวที่เราอาศัยอยู่นี่สัตว์ว่าโลกโลกคือหมู่สัตว์ได้แก่สัตว์ทั้งหลายทุกชนิดนะฮะแล้วก็เอาส่วน องค์ประกอบย่อยภายในร่างกายของสัตว์โลกเหล่านั้นที่เราเรียกรวมๆมาเป็นสังขารท่านก็เรียกว่าโลกเหมือนกันเป็นการศึกษาเป็นการมองคือถ้าเราจะเดินโดยเสด็จรอยอยู่คนบาตพระพุทธเจ้าตอนนี้เป็นพระโพธิสัตว์เวลาสอนเด็กเนี่ยมาชอบเล่าช่วงที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอรู้สึกว่าเดินตามได้ไกลชิดหน่อยแต่ตรงนี้ไม่จะง่ายนะตรง น, นี้ยากแล้ว ตามใจคิดยากอนะ่ะคือเป็นลีลาชีวิตที่น่าศึกษาแล้วถ้าเราไปศึกษาหน่วยย่อยๆต่างๆให้เห็นเนี่ยช่วงก่อนจตสรู้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนะแล้วเราจะไปเข้าใจในช่วงจตสรู้ในเรื่องทีงพามมา่พูดถึงมารพระยามารพูดถึงมารต่างๆที่มารบ ก, กวนพระพุทธเจ้านี่ตามปกติเวลานี้นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยมักจะพูดแต่เรื่องกิเลส แล้วก็ไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจถึงสภาวธรรมสภาพสภา พ, สภาพจิตพระไทยของพระโพธิสัตว์นะนในขณะนั้นเป็นยังไงเราลองดูสังเกตรตรงนี้นะฮะเป็นการมองถึงรสอร่อยของโลกมองถึงอาชินบนะเปรตโทษของโลกแล้วก็นิสระณะหรือนิสรณิยะเนี่ยธรรมะเป็นเครื่องสลัดออกจากการเกี่ยวเกาะในโลก ให้ลองสังเกตว่าพวกนี้สามัญชนดูทั่วไปเวลาสัมผัสเขาวเนี่ยไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็เป็นทุกข์นะหรือก็อยากได้อยากมีอยากเป็นพอได้พอมีพอเป็นก็เป็นทุกข์ในช่วงอยากได้สแสวงหามีการต่อสู้มีการวิ่งเต้นกันสารพัดเนี่ยคือคาพูดบางประโยคเราฟังแล้วเราสยองอย่างวันก่อนรู้สึกว่าพูดถึงตำรวดแห่งชาตินะบอกว่าเดือนอะไรล่ะ เดือนสิงหากรนยานะเดือนสิงหาเดือนเดือนกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยตำรวจไม่มีอันทำงานกันต้องวิ่งเต้นขอย้ายขอตำแหน่งกันเรามันก็วุ่นวายที่เป็นผู้ใหญ่ในทางรัฐบาลก็พูดนะฮะยิงเท็จยังไงก็รับผิดชอบไปเราก็นึกว่าเออแทนที่จะมองเรื่องงานที่เราต้องรับผิดชอบมันก็มองเรื่องความเป็น แต่ในขณะเดียวกันไอ้เป็นตำแหน่งเล็กๆ เ, เนี่ยยังทำงานเอาดีไม่ได้ระายาับเป็นใหญ่จน ใ, ใหญ่งานบ้านเมืองก็เล็กหมดนะนั่นเองเพราะคนเราที่ยิงอยู่ตรงไหนไม่สำคัญอะ่ะสำคัญเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราเป็นอย่างที่เราเป็นอะแล้วเราก็ทำอย่างที่เรามีภาระมีหน้าที่จะต้องทำงานมันเยอะนะฮะไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายอะไรมากหรอกคนเราถ้าตั้งใจจะทำงานแล้วก็ทำงานได้ตลอด โดยเฉพาะชีวิตที่เป็นพระเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไปเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านเขามีศรัทธาเลื่อมใสนิมนต์เราเทศนิมนต์เราบรรยายนิมนต์เราอภิปรายอะไรแต่อะไรเราก็ไปได้เรื่อยๆนะโดยไม่จําเป็นว่าพระผู้ใหญ่จะตั้งให้เราหรือไม่ตั้งให้เราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องไปดินน้นรนคือถ้าถ้าไม่ทําเราก็ทํานะฮะถ้ามีเรื่องต้องทําเราก็ทําให้ แต่สมมติว่าเขาไม่นิมนต์ให้เราทำเราก็มีงานนะทำแล้วมีอะไรก็เอาไปใจวิดโกรมาศึกษาค้นคว้ามานั่งสมาชิเจริญกรรมฐ า, านทำอะไรไปก็ได้เรยอยๆทำได้ทั้งนั้นปัญหาที่มันเกิดเป็นทุกขโมนัดแทนที่จะเกิดสุขโสมนัดเนี่ยเพราะว่าเวลามันเกิดเนี่ยเราไปกําหนดให้มันเที่ยงให้มันอยู่กับเราตลอดไป แทนที่จะรู้จากอาธินพของมันว่าไอ้พวกนี้มันมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกนามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาโลกที่ไม่เที่ยงเป็นทุกทรมานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี่เองนะฮะนั่นแหละเป็นโทษของมันทีนี้เราเห็นมุมเดียวเราเห็นเราเห็นในช่วงที่มันสวยงามแล้วในสุดเนี้ยเราก็ไปเจียความแก่เห็นไหฮะเราต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง หมาความถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชอบเราก็ต้องการเลยเอานิจายอะไรไม่ได้เลยทีนี้พอไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็เกิดทุกข์โธมนัทพอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชอบก็เกิดสุขโสมนัทแต่ทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอีกกันแหละที่มีคําพูดที่เขาบอกว่าความไม่แน่นอนเน่ะคือความแน่นอน มันก็ตรงตามหลักทเทวเจ้าส่งแสดงไว้ว่าชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงเพื่อแน่นอนว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายแต่ว่าตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรตายเพราะเหตุใดอายุเท่าไหร่นี่ยไม่มีใครตอบได้แต่ว่าตายแน่เพราะในความตายเนี่ยจึงเป็นของแน่นอนแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเพรา ะ, ะพวกพวกเราเนี่ยพวกโลกโทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกอยู่ในกฎของความไม่แน่นอน พอใจไปกำหนดไปประเมินค่าเอาไว้ไปกำหนดเอาไว้ว่าให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นพอไม่เป็นอย่างนนเว้นเป็ น, เ, ปนเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจมันมีรู้เท่าทันที่เรียกว่ามีปัญญานี้่าบทำความเป็นจริงอยู่เนี่ยมันก็จะลดบรรเทาความทุกข์ลงไปได้มากเหมือนกันทุกฟังตแต่ไหนแต่หลวงพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง้องามไปบูรณาธิการ จึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี